ขอความสุขความเจริญจะมีเดี๋ยวท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิจัยศรีปทุมกำลังนําเสนอพระสูตรในมัจจิมนิกายมูลปันาสมาตามลบดับ อ, อมาถึงพระสูตรสุดท้ายในมูลปนาตก็คือสติปัฏฐานสูตร คือประสูดที่ส่งแสดงเรื่องการตั้งสติรละลึกรู้อยู่ที่กายเวทนาจิตและธรรมจนเกิดญาณความรู้ว่ากายเวทนาจิตและธรรมนี้สัคตะวกายสัคตะวะเวทนาสัคตะวจิตสัคตะวธรรม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 คือแสดงระดับปรมัตถธรรมเป็นธรรมภ า, าคปฏิบัติเน้นไปที่จิตสิกขากับปัญญาสิกขาคือเน้นไปที่สมาธิกับปัญญาแต่แน่นอนในภาคของการปฏิบัตินั้นก็ต้องมีศีลสิกขาเป็นบาทเป็นฐานรองรับอยู่ประสูตร เหล่านี้ส่งแสดงที่กุรุสธรรมากุรุสธรรมานิคมแคว้นกุรุประสูตรประมาณเจ็ดสูตรที่ส่งแสดงในสถานที่นี้แต่ละสูตรนั้นยากเท่านั้น แล้วเป็นสูตรที่ยึดถือประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมาในหมู่พุทธบริษัตทตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเราคงจะเป็นเช่นนั้นกันอยู่ตลอดไปเพราะว่าเป็นบทที่ส่งแสดงสรุปรวมเอาไว้ทั้งหมดท่านล่าว่าโดยพื้นฐานของ คนในแคว้นกรมาสธรรมนิคมนั้นเป็นคนที่มีสติปัญญาดีใส่ใจสนใจศึกษาในธรรมะแม้แต่พบปะพูดคุยกันก็จะซักถามว่าเวลานี้ท่านจะเริญนสติปฐานข้อไหนแต่ใครบอกข้อใดข้อหนึ่งเพื่อนก็จะอนุโมทนาชื่นชมยินดี แต่ถ้าบอกว่าไม่ได้เจริญข้อใดเลยเนี่จะถูกตำหนิในฐานะที่เป็นผู้ประมาทก็ไม่ใช่ดาว่าอะไรหรอกแต่ว่าเป็นการเตือนสติให้สติกันด้วยเมตตาจิตต้องการให้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทในการละอกุศลและในการเจริญกุศล จนถึงกรท่านเล่าว่ามีนกแขกต้าวตัวหนึ่งที่ว่าพุทธรักษิตเป็นนกที่พวกแสดงเร่ร่อนเลี้ยงเอาไว้แล้วก็พาไปในที่แสดงต่างๆเพราะว่าฝึกจนนกพูดได้ต่อมา ก็มาพักอยู่ที่อารามของภิกษุณีเวลาจากไยนั้นก็ลืมนกพุทธลกขิตเอาไว้ภิกษุณีสามเณรีก็สั่งสอนตานให้สติตักเตือนเกณ น, นกพุทธลกขิตว่าเวลานี้เจ้ามาอยู่ในอารามของนักบวชอาจะต้องใส่ใจสนใจในกรรมฐาน แต่ว่าเนื่องจากเป็นสตัตว์ดิฉานจะให้ภาวนาอะไรมากๆมันก็ไม่ได้เลยก็ให้ภาวนาคำว่าอัตติอัตติที่แปลว่ากระดูกกระดูกเท่านั้นเองต่อมาวันหนึ่งมีเหี่ยวมาเฉียวเอานกพุทธรักษิภิดไปแล้วก็ภิกษุณีก็ตกใจภิกษุณีสามในรีก็ตกใจก็พยายามปรบมือไล่ เยี่ยวจนตกใจแล้วก็ปล่อยนกพุทธลกิตนกพุทธลกิตก็บินกลับมาหาภิกษุณีสามเณรีภิกษุณีสอบถามว่าเวลาเยี่ยวเชียวเธอไปนั้นเธอคิดยังไงนกพุทธลกิตบอกว่าเขาก็คิดว่าเวลาเนี้ยกองกระดูกกองหนึ่งกำลังนํากองกระดูกอีกกองหนึ่ง ไปแล้วในที่สุดก็จะตกได้รายอยู่ในที่ใดที่หนึ่งก็หมายความว่าเป็นการเจริญให้เห็นถึงความจริงของชีวิตว่าในแง่ของความเป็นจริงแล้วมันก็เป็นเพียงกองกระดูกเท่านั้นเองไม่ว่ากองกระดูกใหญ่จะเล็กจะของคนของสัตว์ในสุดก็จะต้องแตกทำลายไปเป็นปกติธรรมดา พิสุนีก็แสดงความชื่นชมแล้วให้เธอสาธยายอย่างนั้นต่อไปปณ์นคนแม้แต่ว่าเป็นคนใช้เป็นพนักงานต่างๆก็เรียกว่าใส่ใจในกรรมฐานอยู่ในศีลในธรรมเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีสำหรับสัตว์ุรุตทั้งหลายต่อมาพิกษุเอ๋อ พระพุทธเจ้าได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาภิกษุทั้งหลายก็มาประชุมพร้อมกันแล้วก็กราบทูลว่าพระพุทธเจ้าค่าก็เป็นทํานองราย ง, งานว่าประชุมกันพร้อมแล้วรับสั่งว่าภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้ภิกษุเหล่านั้นรับพระดํารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระพุทธเจ้าค่ะจากนั้นุู้เจ้ารับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายทางนี้เป็นทางเอกเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของเหล่าสัตว์เพื่อมีการก้าวล่วง โสกและปริเทวะเพื่อความรดับศูนย์แห่งทุกขและโทมนั์เพื่อการบรรลุยอยธรรมเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งทางนี้คือสติประสานสี่สี่ประการเป็นชไหนคือเอกาเอกายานวักนั้นหมายความมาเป็นทางอันเดียว ทีใครจะปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลจะโดยเป็นภิกษุเป็นสามเณรเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาเป็นภิกษุแม้แต่การศัสรูของพระพุทธเจ้าก็อยู่ในเรื่องของเอกยนมรรคนี่แหละอยู่ในเรื่องของอริยมรรคมีองค์แปดประการแล้วก็ด้วยผลของการปฏิบัตินี้ก็คือหนึ่งก็ เพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์คำว่าบริสุทธิ์นั้นก็คือบริสุทธิ์ในชั้นต่างๆที่พัฒนาจิตใจให้ประนีตขึ้นไปก็เริ่มต้นจากศีลวิสุทธิ์คือความบริสุทธิ์หมดจดของศีลมีศีลที่ประนีตขึ้นไปโดยลำดับจนถึงจะตุปาริสุทธิ์ที่ศีลทั้งสี่ ก็คือปาติโมก็สังวรสำรวมระวังในประปราติโมกเว้นข้อที่พระพุทธเจ้าห้ามทำตามข้อที่พระพุทธเจ้าอนุญาตแล้วก็อินทรีสังวรสำรวมระวังอินทรีเวลาสัมผัสกับอารมณ์โลกคือตาเห็นรูปูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิมโรดกายถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ย ระวังใจไม่เกิดกิเลสประเภทราคะประเภทโลภะประเภทโทสะประเภทโทมนัสโทมนัสนั้นก็เป็นหน้าการของจิตที่มีโทสะเจือปนอยู่หรือว่าการพลัดพราดสูญเสียในพวกเจือปนอยู่จนถึงจุดหนึ่งก็จะบริสุทธิ์รับจิต บริสุทระดับจิตก็คือเป็นผลจากการเจริญสมาชิที่มีจิตสงบจากนิวร์ไปตามลำดับในชั้นแรกก็เกิดวิตกคือความตรึกที่เป็นกุศลวิจารณ์การไตรตรองที่เป็นกุศลปิติความเมบืกอปีมใจสุข ความสบายกายสบายใจแต่เอกกัตตาคือจิตที่มีอารมณ์เป็นนันเดียวีนรวมก็เป็นองค์ฌานห้าประการด้วยกันองค์ฌานเหล่านั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะทำหน้าที่สงบนิวรณห้าประการวิตกจะทำหน้าที่สงบ ถีณมิทะคือความง่วงเหงาหานอนซึ่งซึมห ง, งอยเงาด้วยประการต่างๆวิจารณทาหน้าที่ส ง, งบวิจิกิฉาคือความเคลือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจในสิ่งทั้งหลายและปีติความเมื่อบิมใจนั้นจะทาหน้าที่ส ง, งบความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านซัดสายของจิตที่เรียกว่า กุฏจักกุกุฏจัแล้วก็สุขก็ทําหน้าที่สงบสงบสุขทําหน้าที่สงบจาก อ, อกุฏจกักกุจกแต่เอกคตาคือจิตที่มีอารมณ์เป็นอันเดียวนั้นก็สงบจากกรมฉันเกิการที่ใจเหนียวนึกศึกนึกถึงอารมณ์ที่ใคร่ด้วยอํานาจของความใคร่ แต่ว่าพวกนี้ในแง่ของความเป็นจริงแล้วมันสงบได้หยาบกลางละเอียดขึ้นไปพูดถึงความสงบในระดับนี้ก็เรียกว่าสงบระดับกลางกลางไม่ถึงการสงบอย่างสมบูรณ์เต็มเปีย่ยมทันนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าในนิวรทั้งห้าประการที่เรียกชื่ออย่างอื่นแต่ก็คือนิวรณ์ห้าประการนั่นแหละ เพียงแต่เรียกกสิ่งที่ทําปฏิกิยาต่อจิตในขณะนั้นๆการมชัชชนิวรจะสงบได้ก็ต้องอาศัยอนาคามีมัจคือการบรรลุเป็นพระอนาคามีพยาบาทนิวรณ์สงบได้ก็ต้องบรรลุเป็นพระอนาคามีตีนมิทะง่วงแงวเหา่เหานอนเนี่ยก็สงบได้ด้วยอรหัน อุทัจจะกุกุจจะสงบได้อุทัาจจะนะสงบได้ด้วยอรหันต์กุกุจจะนั้นก็สงบด้วยระดับปนาคามีแล้วก็วิจิกิจฉาคือความเครือแปลงสงสัยพระโสดาบันเนี่ยสงบได้ก็สรุปว่าจะให้สงบจริงๆก็ต้องสงบระดับอริยมรรคที่จะไม่กำเริบแต่ว่าสงบระดับนิวรณ์นี่มันก็กำเริบได้ ผลฌานทั้งหลายที่ท่านได้ฌานกันในนามต่างๆจะมีธิริษีมีนหน้าต่า ง, า ง, างนีก็สามารถจะเสื่อมได้เพราะว่ามันเป็นกุปธรรมคือกำเริบได้สตานางวิสุทิยาความบริสุทธิ์หมดจดในข้อต่อไปก็คือบริสุทธิ์ระดับชิดที่ หมายความว่าคนเราตามปกติแล้วเนี่ยจะไปมองสิ่งต่างๆที่วิปลาสคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงในสี่เรื่องด้วยกันเรียกว่าวิปัลาสคือความเห็นที่คลาดเคลื่อนจากความจริงที่มันเป็นความจริงที่แท้จริงมันเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่เราไปเห็นอีกอย่างหนึ่งเช่นไปมองเห็นว่าสิ่งตั้งหลายนั้น มีรูปเป็นต้นสวยไปกำหนดว่ารูปสวยเสียงไปรอกดินหอมรสอร่อยสัมผัสหน้าจับต้องคือแต่ละอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนั้นจริงแล้วก็ในเรื่องเราเนี่ยจะทรงแสดงกรรมฐานแก้ไขไปโดยลำดับจนมองเห็นตามความเป็นจริงว่ารูปนั้นไม่สวยไม่งาม แต่ถามมาทาไมคนยังเห็นเช่นนั้นเพราะใจคนไปกําหนดเอาว่าสิ่งนั้นสวยงามไปกําหนดว่ารูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยนะ่าจับต้องคนก็เกิดกาหนัดเพลิดเพลินชื่นชมยินดีในสิ่งเหล่านั้นและปรารถนาคอยคว้าที่จะได้ที่จะมีที่จะเป็นที่จะครอบครองที่จะถือครองโดยความกําหนัดยินดี ราเท่าที่ท่านยังเห็นว่ารูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรส อ, อร่อยสัมผัสน่าจับต้องอันนี้ถือว่าเป็นพวงดอกไม้ห่องแห่งมานบ้างเป็นวัตถุกรมเป็นวัตถุที่ตั้งแห่งความใคร้ายบ้างแล้วก็ เรียกชื่อต่างๆอีกเป็นนั้นมากก็สรุปแล้วก็คือเป็นตัวกระตุ้นให้มันจิตมันเกิดกิเลสทั้งหยาบทั้งกลางกระทั้งละเอียดเพียงแต่ว่าระดับหยาบมันเกิดง่ายระดับกลางก็เกิดยากหน่อยระดับละเอียดที่เกิดยิ่งเกิดยากขึ้นเพราะว่าจิตมันได้ผ่านการฝึกปลืออบรมมาจนถึงระดับหนึ่งแล้ว นี้ถ้าเราเวลาทรงสอนให้ปฏิบัตินีทรงสอนให้ปฏิบัติให้ดูจิตในขณะนั้นๆแหละว่าดูซิว่าจิตเราเวลานี้มันมีวิปัสานเข้าใดข้อหนึ่งปรากฏแก่จิตจะเห็นว่าสุภาพวิปัสสนาคือการกําหนดว่าสวยงามปรากฏขึ้นแก่จิต ก็พิจารณาดูต่อไปว่าแต่ก่อนเนี่ยวิปชสันไม่เกิดสุภาพวิปราสคือการกำหนดคลาดเพื่อนพสิ่งที่ไม่สวยงามมาสวยงามเนี่ยมันไม่เกิดแต่ว่าตอนนี้มันเกิดมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงก็รู้เห็นตามความจริงตามที่มันเกิดมาเกิดจากจิตเราไปกำหนดตัวเอง แล้วที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือภายในจิตของมนุษย์เีก็มีการมาท่าคือเชื้อความใคร่อยู่ภายในพอกําหนดว่าสวยงามเนี่ยมันจิตมันก็ปรุงแต่งปรุงแต่งว่ารูปนี้สวยเสียงนี้ไพเราะกลิ่นนี้หอมรสนี้อร่อยสัมผัสน่าจะต้องเมื่อมีการปรุงแต่งก็เกิดความกําหนัดเพิ่มขึ้นภายในจิต เพราะฉะนั้นท่านก็สอนให้พยายามพิจารณาให้เห็นว่าเอาจริงๆมันไม่สวยไม่งามวันถ้าเกิดขึ้นแล้วก็พยายามมองอีกด้านหนึ่งคือตรงกันข้ามให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่สวยไม่งาม ทีนี้เมื่อพิจารณาไปแล้วก็จะบรรเทาความกำหนัดเพืิดเพลินชื่นชมยินดีในรูปทั้งหลายเป็นต้นลงไปได้แต่ถ้าเป็นระดับต้นๆอย่างที่บอกว่ามันกำเริบได้เพราะว่าการสัมผัสอารมณ์โลกเนี่ยมันจนถึงขนาดรูปประชาญรูปประชาญอย่างติดนะฮะสูงขนาดนั้นแล้วจิตใจก็ยัง จะยบติดกำนัดเพลิดเพลิอนอยู่ในอารมณ์ของโลกเพราะฉะนั้นก็ทรงสอนให้ทำให้มันดับไปโดยสิ้นเชื้อ ก, คออ ก, กนะ็คือดับด้วยอริยมรดังกล่าวเฉพาะวิปัาสนะคือดับด้วยอริยมรดังกล่าวยังสมัยที่พระพุทธเจ้าทรง ศัตรูใหม่ๆตอนนั้นที่จริงพระพุทธเจ้าไม่มีกิเลสแล้วไม่มีกิเลสอยู่ภายในพระไทยแต่ประการใดแต่ว่าพระยามานยังคิดว่าลูกสาวของท่านคือนางตัญหาราคาราตีนั้นสามารถจะยั่วย ว, ยวนดึงพระพุทธเจ้ามาสู่อำนาจของตัวเองได้จึงปล่อยพวกนางไปแสดง มารยาหญิงกันด้วยวิธีต่างวิธีการต่างในเพลงที่นางขับมันล้วนแล้วแต่กระตุ้นให้คนมองด้วยความวิปลาสคาดเคลื่อนทั้งนั้นเป่นความว่ามนุษย์ผู้เวียนวนวัตรสงสารจะต้องการสิ่งอะไรยิ่งไปกว่าต้องการเห็นแต่ความงามในตาต้องการกลิ่นสุ ข, ขนทาที่ยวนใจ กิ่นกุลาบทราบซ่านคารนาประสัทกลิ่นไดอาจเทียมเทียบทะเปรียบได้เป็นกิ่นกิ่นซึ่งพึงเหนืองบวงฮไทยในภายในเสน่หากามารุมความสําราญบานใจไม่มีค่าเตะเห็นกายาหญิงไร้สิ่งค่มเพราะได้เห็นรูปโฉมน่าหลมชมด้วยความกลมกรอมสะอาดยังหยียวนความกรมกรอมย่อมนําความกําหนัดราวมนัดราวตันหาผ่าฝันป่วนราวโลหิตราวกสารให้รัญจวน ทั้งสิ้นล้วนร้าให้ใจเพื่องฟูริดาเตือนเหมือนได้ไปสวรรค์คือพบชั้นที่พระเจ้าอยากเข้าสู่ก็เหตุใดโคดมบรมครูจึงไม่รู้ทางไปที่ใครกันกลับมานั่งโทรกรรมทนลำบากเป็นเส่จากเลาาใจให้กสัตริย์ฤสุีกามารมไม่สมกันกับสุขสรรกับสวรรค์สุขซึ่งจะพึงดน ใครเดือดร้อนพระก ร, รีกอดสมอยออกให้สุกทุกขุมขนสุกเช่นนี้ควรจะใฝ่หาใส่ตนตัวสกวนพบล่าหาง่ายเอ่ยเราจะเห็นว่าตัวที่เอามากระตุ้นก็คือรูปต่อมาก็คือเสียงแล้วต่อมาก็คือกลิ่นซึ่งแต่ละข้อนั้นเขาเรียกว่าเป็นกามขุณเป็นกามคุ ณ, า, มมคณารมณ์เป็นกลุ่มของกาม ของวัตถุกรมที่กระตุ้นจิตใจของบุคคลให้สับสนไหว้เผไปด้วยประการต่างๆเพราะการย่วยยวนในโลกียวิสัยของเรานั้นคนส่วนใหญ่ก็ตกอยู่ในสายของเนี้ยสายของการมองวิปลาสเกลสุภวิปลาสคือคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงประการต่อไปก็คือมองสิ่งที่ ไม่เที่ยงแท้ว่าเป็นของเที่ยงแท้คือสิ่งทั้งหลายที่จริงเป็นกระบวนการเลื่อนไหลที่ไม่ได้อยู่นิ่งแม้แต่ลมหายใจเข้าออกของเราหรือว่าวิญญาส่วนต่างๆของเรามีการเกิดตั้งยังอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่มันอาศัยเป็นความต่อเนื่องด้วยอํานาจของสิ่งที่เราเรียกว่าสันตติคือมันเกิดต่อเนื่องกัน ก็เกิดต่อเนื่องกันก็ทําให้ใจเรามีความคิดว่าสิ่งเหล่าเนี้เที่ยงแท้ยังยืดไม่แปรผั น, นแต่ทั้งที่เราก็เห็นกันอยู่นะฮะดูตัวอย่างง่ายๆว่าเราตื่นขึ้นมาอาบตามแปลงฟันชํ า, าระสระสางร่างกายนะมีการระบบขับถ่ายกันด้วยวิธีการาต่างๆเสร็จแล้วก็ไปรับประทานอาหารต่อเอารับประทานอาหารไม่เท่าไรก็หิวอีกแล้วหิวอีกแล้วก็ต้องรับประทานใหม่รับประทานใหม่ต่อไปก็หิวอีกแล้วก็ต้องรับประทานใหม่ นะบางคนรับประทานตั้งมื้อหนึ่งวันหนึ่งตั้งสามสองสา ม, มื้อหรืออย่างน้อยก็สองมือ้อนั้นก็แสดงให้เห็นว่าความอิ่มมันก็ไม่ใช่ของเทียงแท้แน่นอนอะไรเรารับประทานก็เพียงบรรเทาความหิวที่บังเกิดขึ้นให้มันหิวน้อยลงเท่านั้นเองแล้วก็หยุดความหิวไปได้ชั่วขณะจากนั้นก็หิวต่อแล้วก็หิวต่อเรื่อยๆไป ถามว่าทําไมคนจึงมองสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงบอกว่ามองด้วยความเป็นของเที่ยงอนิจจสัญญาคือกําหนดหมายว่าเป็นของเที่ยงอนิจจสัญญานะฮะกำหนดหมายว่าเป็นของเที่ยงเช่นรูปเที่ยงเวทนาเที่ยงสัญญาเที่ยงสังขารเที่ยงวิญญาณเที่ยงแต่ละอย่างเนี่ยเราก็ปรุงคิดคิดปรุงเอาเองเป็นการหลอกตัวเองให้ อ่อนไหวไปตามกระแสของอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นในแต่ละขณะปัถ้าจะมองให้เห็นความจริงที่แท้จริงก็ต้องมองให้เห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงไม่เที่ยงเพราะอะไรก็หนึ่งเพราะว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีอะไรที่ไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้ว จะไม่ดำรงอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงเดือถึงจุดหนึ่งก็จะดับไปประการที่สองก็คือเป็นการดำรงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เพราะว่าแกต้องมีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ในขณะที่ดำรงอยู่เราคิดว่ามันดำรงอยู่ที่จริงมันดำรงท่ามกลางความแปรปรวน แล้วก็ในที่สุดมันก็ขัดแย้งกับความเชื่อในเรื่องเที่ยงเพราะยังเป็นสิ่งอยู่นี่สับใดที่ยังเป็นสิ่งยังเป็นสัตว์ยังเป็นบุคคลอยู่นี่จะเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีเว้นไว้แต่พระนิพพานพระนิพพานอย่างเดียวที่เที่ยงอะ่ะนอกนั้นมันก็ไม่มีอะไรจะเที่ยงแท้แน่นอนประการต่อไปก็คือ สิ่งที่เป็นทุกข์เรามองว่าเป็นสุขอันนี้เรากําหนดหมายเอาว่าเราเป็นสุขเพราะอะไรเพราะเรามีการผัดเปลี่ยนอิริยาบถเราได้ยืนเดินนั่งนอนในนี้เราก็ผลัดเปลี่ย น, นอยิริยาบถไปเรื่อยๆไม่ได้ยืนอย่างเดียวไม่ได้เดินอย่างเดียวไม่ได้นั่งอย่างเดียวไม่ได้นอนอย่างเดียวก็ผลัดเปลี่ย น, นอยิริยาบถไปเรื่อยๆตีต่างว่าตุกเกณฑ์ให้ไป อยู่ในรยบทไรยาบทห น, นึ่ง น, นานๆเนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้เจดวะนั่งพับเพียบ น, น, นานๆเนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้ทั้งๆ ท, ท, ที่เป็นข้อวัดป ฏ, ฏิบัติประการหนึ่งของพระของอุบอยสศปฎิกาแต่จะเป็นพระหรือเป็นใครก็ถามเอาก็จริงก็ทนไม่อยู่เราต้องมีการเปลี่ยนแปลงนี่เป็นเรื่องปกติธรรมดาพริกซ้ายพริกขวาก็าไปเรื่อยๆ เชนดียวนั่งพระเพียบเนี่ยมันก็มีพริกซ้ายพริกขวาบางทีอาการหนักขึ้นมาก็ต้องนั่งขัดสมาธ์ช่วยร่างกายมันเอามาอยู่แล้วทนมาอยู่แล้วอย่างพระเรานี่ใช้เรียบทในแนวนี้อยู่นานตั้งแต่บวชกันมาเนี่ใช้เรียบทนี้แล้วก็วันนึงวันหนึ่งในี่ใช้เรียบทนี้มากคนตามปกติแล้วก็จะทนไม่เก่ง นั่งทนในลักษณะ น, น, นานๆเนี่ยไม่ได้เก่งนั้นแสดงให้เห็นถึงไม่เที่ยงด้วยแล้วก็เป็นทุกข์ด้วยเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าเกิดขึ้นมาจากบาจใจปรุงแต่งแล้วก็คงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้แล้วก็ขัดแย้งกับความรู้สึกที่เรียกว่าเป็นสุข มีปัจจัยต่างๆแผดเผาจากภายในบ้างจากภายนอกบ้างก็ให้เกิดความร้านร้อนด้วยประการต่างๆนี้ก็เป็นสิ่งที่รู้เห็นกันอยู่แต่ว่าที่ไม่เห็นด้วยตาปัญญาเนี่ยเห็นเฉพาะตาเนื้อนะบางทีตาเนื้อยังไม่เห็นเลยเห็นด้วยการกําหนดดูก็ไม่เห็นเพราะว่าพอเห็นเมื่อเมื่อยเราก็เปลี่ยนเสีย เขาเรียกว่าเพราะการสัตว์เปลี่ยนอิริยาบทของเราในแต่ละวันเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่ามันทนอยู่ได้สามารถอยู่อย่างสงบได้ประการต่อไปคือสิ่งที่เป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ของเราของเขาที่แท้จริงประการแรกก็คือว่า เราบังคับควบคุมให้เป็นไปตามที่เราต้องการไม่ได้แล้วประการที่สองก็คือมันขัดแย้งกับความเชื่อเรื่องอัตตาถาวรอย่างลทัทธิหน้าตือพระเจ้าทั้งหลายเนี่ยผู้พระเจ้าเหล่านั้นถาวรอย่างท่านที่เคยอ่านเรื่องรามเกียรติเราจะเห็นว่าควายทศกัณฐ์แพ้เมื่อไร่ก็ตายเมื่อนั้นเลยแต่ควายพระรามเนี่ย ตายแล้วฟื้นตายแล้วก็ฟื้นรบกันตลอดระยะเวลาคนตายไม่ได้เลยทหารของพระรามนะเป็นทหารเดินทัพสนั่นเองแต่ว่าทศกัณ์นั้นตั้งฐานรับอยู่ในเมืองแล้วก็ออกมารบกันในสนามบรบเปินทศกัณ์มันก็มีคนเปลี่ยนเยอะแต่ก็เปลี่ยนแล้วก็ตายเปลี่ยนแล้วก็ตายไปเปลี่ยนแล้วก็ตายไป กวายพระรามไม่ต้องเปลี่ยนหรอกถูกลมพัดหน่อยเดียวก็ฟื้นขึ้นมาหมดเลยในที่สุดพระรามก็กลายเป็นผู้ชนะไปนั้นก็เป็นความเชื่อเรื่องเท พ, พเจ้าเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เชื่อเลยไปจนถึงกับว่าถ้าเป็นเทพเจ้าแล้วทำบาปไม่เป็นบาปทศกัณฑ์วายควายพระรามเนี่ยก็ฆ่าพวกยักษ์ไปเยอะแยะไปหมดเลยปรากฏว่าไม่บาป พ็ตายแล้วก็กลับไปสู่สวงสวรรค์เหมือนเดิมใครมาจากใครในตำแหน่งอะไรก็กลับไปสู่ตำแหน่งนั้นเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นความเชื่อหือแม้แต่เรื่องหมาภาราตยุทธ์มันก็มีลักษณะอย่างนั้นคนที่รบกันในสงครามเจ็ดวันที่ทุ่งกรุกเกษตรเนี่ยรบกันแล้วก็ฆ่ากันตาย พี่ฆ่าน้องน้องฆ่าพี่ญาติฆ่าญาติลูกศิษย์ฆ่าครูครูฆ่าลูกศิษย์อุตลุดไปหมดเลยบาปตัางหนักทั้งนั้นแต่ว่ากลายเป็นไม่บาปไปเพราะอะไรเพราะว่าเขาถือว่ามันเป็นตัวตนที่ถาวรอยู่อย่างนั้นจะไม่มีการจุติแปรผันไปด้วยประการอย่างอื่นท่านก็เป็นอย่างที่ท่านเป็นน่ะตั้งกระดำรงอยู่อย่างนั้นตลอดไป นี่ก็เป็นความเชื่อความเห็นอย่างนั้นประการต่อไปก็คือพอย่อยเนี่ยพอย่อยเช่นสมมติว่าอวัยวะต่างๆของคนของสัตว์ที่เขามาย่อยอะย่อยไปถึงจุดหนึ่งมันก็สูญนะมันก็เป็นอนุเป็นปรมาณูหายไปเลยหาความเป็นตัวตนที่แท้แท้ไม่ได้แม้แต่การประกอบของพวกนา ม, มาขันทั้งหลายก็เหมือนกัน มาความถ้าองค์ประกอบของนามคันเหล่านั้นแก่ไม่ปรากฏรือมีไม่ครบในที่สุดก็สูญสลายไปเป็นเรื่องปกติธรรมดาเอาข้อจริงไม่มีใครเป็นเจ้าของอะไรจริงๆแต่ละคนก็มาถึงจุดหนึ่ง ขันที่มาเกาะกลุ่มกันเป็นตัวตนเป็นบุคคลย่อยสลายชีวิตคนก็ย่อยสลายตามไปนี่ก็เป็นตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนแต่ว่าเห็นยากนะเห็นยากพระพุทธเจ้าทรงแสดงประเด็นของอนัตตาเอาไว้ในพระสูตที่เราคุ้นมากก็คือในอนัตตลกนณสตรทรงแสดงโดยในยะเดียว นัยยะที่เรียกว่าเราบังคับบงการให้เป็นไปตามที่ใจเราปรารถนาไม่ได้นั้นก็คืออะไรก็คือว่าวเสวัตนาเวยวะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชารับสั่งว่าดูก่อนพิสูน์ทั้งหลายรูปเป็นนาณตตา คือไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่เป็นตัวเป็นตนไม่มีตัวมีตนถ้ารูปเป็นอนัตตาแล้วรูปจะไม่ปบมือพึงเป็นไปเพื่ออาพาธและสัตว์ทั้งหลายพึงได้ในรูปนั้นตามใจหวังว่าขอรูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดขอรูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยดุกอนภิกษุ์ทั้งหลายเพราะรูปมันเป็นอนัตตารูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธคือเจ็บไข้ได้ปวนเปลี่ยนแปลงแปรปลวนไปด้วยประการต่างๆ ดศาสนก็ไม่สามารถจะตั้งความหวังว่าขอรูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถอดขอรูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นอย่างนั้นทั้งๆที่รูปนั้มันเป็นรู ป, ปรธรรมแต่ว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะเป็นนามรธรรมแต่ก็ตกอยู่ในฐานะอย่างเดียวกันคือเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยดํารงอยู่ด้วยเหตุปัจจัยแล้วก็แตกสลายไปด้วยเหตุปัจจัย จากนั้นก็ท่งแสดงโดยสรุปว่าลูกกรพิสุทธ์ทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นขดไห น, นคือเธอคิดอย่างไรในเรื่องรูปตันี้ในเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห่าเนี้และรับสั่งว่ารูปเป็นต้ น, นเที่ยงหรือไม่เที่ยงท่านเหล่านั้นก็กราบทูลว่าไม่เที่ยงประเจ้าขา แล้วสั่งว่ารูปใดไม่เที่ยงรูปนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าก็ตอบว่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะแล้วสั่งว่ารูปใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเป็นการสมควรไหมที่จะไปยึดมั่นถือมั่นว่านั่นเป็นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวเป็นตนของเราท่านก็ตอบว่าไม่เป็นการสมควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะจากนั้นก็ทรงสอนให้มองโดยสรุป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 แล้วจากนั้นก็แสดงว่าลูกกรพิสุตตังหลายเมื่อริยสาวกพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้ย่อบนายในรูปนายในเวทนานายในสัญญานายในสังขานายในวิญญาณเมื่อเบื่อนายก็จะคลายกำหนัดพอคลายกำหนัดจิตก็จะพ้นเมื่อจิตพ้นก็จะเกิดญาณรู้ว่าเราหลุดพ้นแล้วดังนี้ ชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีแต่มาในชั้นวิสุทธ์เนี่ยสามข้อแรกเนี่ยเรทจงตรงจะเห็นได้ว่าหนึ่งก็คือความบริสุทธิ์ระดับศีลสองบริสุทธิ์ระดับสมาธิจนถึงระดับรูปฌานสามระ ด, ดับ บริสุทธิ์ระดับทิฏฐิอย่างความเห็นในนายนัตอนัตนตลกณนสูตรทั้งห้าประการดังกล่าวแล้วนั่นแหละคือที่เป็นห้าประการเนี่ยมันก็หมดแล้ ว, วนะคือตัโลกก็จริงมันมีรูปธรรมก็ น, นามธรรมต่นนั้นเองแล้วก็รวมยงลงที่กันทั้งห้าประการเป็นรูปธรรมไดหนึ่งเป็นนามธรรมได้สี่มันก็หมดแล้วก็ไม่เหลืออะไรแล้ว อ, อีกด้านหนึ่งก็ไม่ใช่สังขารแล้วคือเป็นเรื่องของมรรคผลนิพพานไปจากนั้นก็ก็เรียกว่าทิฏฐิวิสุทธ์ความเห็นอย่างเนี้ยเห็นอย่างนี้แต่กิเลสต้องลดด้วยนะมีข้อแม้ว่าตัณหามานะทิฏฐินี้ต้องลดลงไปด้วยนี้ก็ชื่อว่าเป็นทิฏฐิวิสุทธ์ ประการต่อไปนั้นเขาเรียกกังขาวิตรณวิสุทธิความบริสุทธิหมดจดแห่แงยญาณเป็นเครื่องข้ามพ้นความสงสัยคือมีความรู้ประเภทหนึ่งที่เรียกว่าญาณเนี่ยมันเกิดผุดขึ้นภายในใจของบุคคลนั้นแล้วท่านท่านเข้าใจนามรูปตามความเป็นจริง ว่าความจริงที่แท้จริงของนามารูปนั้นมันเป็นอย่างไงมันก็เป็นของมันอย่างนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นต่อไปก็เป็นมาาัคคามัคคาานะทัศนาวิสุทธ์มันเป็นความบริสุทธิ์หมดจดแห่งความรู้หรือญาณที่เกิดผุดขึ้นว่าอะไรเป็นทางหรืออะไรไม่ใช่ทางทางควรเดินหรือไม่ควรเดินเออย่างเนี้ยอย่างอย่างที่ การละเมิดศีลเนี่ยเป็นทางไม่ควรเดินการงดเว้นจากการละเมิดศีล น, นี่เป็นทางที่ควรเดินหรืออริยมรรคเมลงแปดประการเป็นทางควรเดินแล้วก็ความเห็นผิดเป็นต้นเนี่ยเป็นทางที่ไม่ควรเดินอันนี้ก็สรุปว่ามันก็มีทางควรเดินกับไม่ควรเดินอยู่นั่นเองจากนั้นก็จะได้หลักเขาเรียกปฏิปทาญาณนะทัศนวิสุทธ ความบริสุทธิ์หมดจดแห่งปฏิปทาเป็นหลักการปฏิบัติเพื่อจะดำเนินไปสู่ผลสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาจากนั้นก็บรรลุมผลนะนะก็เรียกว่าญาณทัศนวิสุทธิ์ความบริสุทธิ์หมดจดแห่งญาณเป็นเครื่องความหมดความบริสุทธิ์หมดจดความรู้ความเห็น ที่บริสุทธิ์หมดจุดก็รู้ในนี้รู้ว่าทุกเป็นทุกสมุทัยเป็นเหตุเกิดแห่งทุกนิโรธเป็นความดับทุกขมรรคเป็นข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่งความดับทุกนั้นเป็นการรู้เห็นตามความเป็นจริงนี้ก็เป็นหลักที่ทรงแสดงโดยพระสูตรอีกพระสูตรหนึ่งที่เรียกว่ามาหาสติปัฏฐานสูตร มีปริยายที่แตกต่างกันส่งเรียกชื่ออะไรก็แตกต่างกันออกไปแต่ว่าเอาข้อจริงแล้วก็คือเรื่องเดียวกันเพรวิสุทธิทั้งเ็ที่จริงว่าก็คืออริยมรรคมีองแปดประการศีลวิสุทธ์ก็คืออริยมรรคที่เป็นศีลสิกขาสมข้อคือสา ม, มาวิชาสมากมรรตตะสมาชีวะ จิตวิสุทธ์ก็ประกอบด้วยอริมาร์สามข้อก็คือสมาวยามาสมาสติสมาสมาธิแล้วก็จากทิฏฐิวิสุทธ์เป็นต้นมาอีกหประการเนี่ยมันก็คือสมาทิทธฐิกับสมาสังกัปปะแต่แน่นอนแหละในแต่ละข้อนั้นก็มีเจืออยู่ด้วยกันทั้งนั้น ไม่ใช่ว่าแยกเดียวไปบริสุทธิ์เฉพาะในเรื่องศีลอย่างเดียวอย่างอื่นไม่เกี่ยวหรือสมาธิอย่างเดียวอย่างอื่นไม่เกี่ยวปัญญาอย่างเดียวอย่างอื่นไม่เกี่ยวมรรคใอย่างนั้นมันก็ปะปนกันอยู่เพียงแต่ว่ามันมีมากหรือมีน้อยเท่านั้นเองนี่ก็เรียกว่าสัตตานังวิสุทธิยาคือเพื่อความบริสุทธิ์หมดโจดแห่งสัตว์ทั้งหลายแล้วก็เพื่อก้าวล่วง โศกและปฏิวทวะคือเราตามปกติเวลาสัมผัสกับอารมณ์ที่เรากำหนดด้วยความรักความสั่งเนี่ยเห็นรูปรู้สึกพอใจไม่พอใจได้ยินเสียงรู้สึกพอใจไม่พอใจได้กลิน่นรู้สึกพอใจไม่พอใจริมรส ถ, ถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งเหนียวนึกตึกนึกถึงธรรมารมต่างๆก็ตาม รู้สึกพอใจไม่พอใจจากนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดถ้าไม่พอใจก็เกิดทุกข์คือไปเจอกสิ่งที่เราไม่ต้องการเนี่ยเช่นไปเจอรูปที่เราไม่ชอบได้ยินเสียงที่เราไม่ชอบได้กลิ่นที่เราไม่ชอบริมรสที่เราไม่ชอบถูกต้องเย็นร้อนอนแข็งที่เราไม่ชอบ มีอารมณ์หรือทำมาอารมณ์ที่เราเนี่ยนึกเองหรือว่าทูลคนคนอื่นกระตุน้นให้เราเกิดเนี่ยนึกก็ตามแต่พอดีเราไม่ชอบนั้นก็จะเป็นเหตุให้เรารู้สึกโทรมนับรู้สึกเป็นทุกข์เป็นโทรมนับแล้วก็ พอถึงจุดหนึ่งมันเหมือนกับการพลัดพรากสูญเสียมากๆเนี่ยอันนั้นในกรณีของที่เรากำหนดว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจแต่พอดีมันเกิดต้องพลัดพรากจากไปสูญเสียไปเราก็เกิดโทมานต์เกิดปริเทวะเกิโซกร่ำไรรำพันความทุกข์ความเสียใจความคับแคนใจด้วยประการต่างๆ ให้เราสังเกตว่าอะไรก็ตามถ้าเราไม่รักแล้วมันแตกทําลายไปสูญหายไปเราก็ไม่เสียใจอ่ะไม่เศร้าโศกเสียใจไม่ปริเวทนาการ ค, ครําครวญอะไรแต่ว่าการที่เราต้องเศร้าโศกเสียใจต้องปริเวทนาการต้อง ค, คร่าครวนั้นก็เพราะว่าเรารักแต่ของรักมันเกิดพัดพรากจากไปถ้าของไม่รักมันเกิดพัดพราจากไปเราดีใจ ผลนความโศกกับความร่ำไรรำพันเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องของทุกข์นะฮะจริงแนละ้วเป็นเรื่องของทุกข์แต่มันก็สืบเนื่องมาจากกิเลสภายในใจเราที่เราไปรู้สึกรักชังกับอารมณ์เหล่านั้นถ้าสิ่งที่เรารักเกิดพละดพราดสูญเสียไปเราก็โศก สิ่งที่เราชังเกิดพลาดพราคสูญเสียไปเราก็ไม่โศกเราก็ดีใจแล้วก็สิ่งที่เรารักเกิดพลาดพราดสูญเสียไปเราก็เสียใจสิ่งที่เราชังเกิดพลาดพราดสูญเสียไปเราก็ดีใจมันก็เหมือนกันน่ก็ต้องลงมาทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องจิตที่มันปรุงคิดคิดปรุง กำหนดหมายเอาเองโดยความรู้สึกนึกคิดของตัวเองตามที่มันเกิดขึ้นในขณะนั้นนั้นนี้ก็เป็นหลักอย่างหนึ่งที่ทรงวางเอาไว้ว่ามันจะเกิดผลเพื่อก้าวล่วงความโศกและ ความสุขและความปริเทวะคือการร่ำไรร่ำพันความทุกข์ความเสียใจความขับแค้นใจต้องฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอก ง, งามไพบูรในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี